ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและวิตกในปฏิสนธิขณะร้อยี่สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสัมปยุตตะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองในปฏิสนธิขณะ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 เป็นปัจจัยแก่วิจารณ์โดยสัมปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยสัมปยุตตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สและวิจารณโดยสัมปยุตตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและวิจารณ์ในปฏิสนธิขณะ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 โดยสัมปยุตตปัจจัยได้แก่วิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยสัมปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยสัมปยุตตปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 เป็นปัจจัยแก่ขันสองในปฏิสนธิขณะวิปยุตตปัจจร้อยยี่สิบเจ็สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์โดยวิปยุตตะปัจใจมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปั จ, จัย ในปฏิสนธิขณะขันที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่คลายนิที่เคยก่อนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชาชาตะ สหชาตะได้แก่คันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยวิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนทิขณะคันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิปยุตตาปัจจัยวิตกเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิปยุตตาปัจจัยปชชาตะได้แก่ ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเทียงวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่กลายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตะปัจจัยร้อยสบปสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยวิปยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตะปัจจัยหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิปยุตตะปัจจัยวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยวิปยุตตะปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิจารณโดยวิปยุตตะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยวิปยุตตะปัจจัยกายญาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยวิปยุตตะปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีท evet ั้งวิตกวิจารณ์ และวิจารณโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ขันที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารณ์เป็นปันจจัยแก่กายนิทิเ ก, กอร์กรนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปันจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณนะ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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปูเรชาตะสหชาตะได้แก่เลตปฏิสนธิขณะหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์โดยวิปยุตตะปัจจัยปูเรชาตะได้แก่หาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์โดยวิปยุตตะปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยวิปยุตตาปัจจัยมีสองอย่างเพอสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทัยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตได้แก่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 และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยวิปยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่ขตตารูป โดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่รันที่มีทั้งวิตกวิจาร์และวิตกเป็นปั จ, จัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจร้อยสามสิบ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 ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานนรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ตดตารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่กายในที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยในนัยยะที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นมูลปัญหาวาระที่เหลือเหมือนกับสหชาตปัจจัยร้สาอสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 วิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิจารและกระตัตรตารูปโดยอธิปัจจัยวิตกเป็นปัจจัยแก่กระตรัตรารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เสกดก่อนโดยอธิปัจจัย ปัญหาวาระที่ไม่มีวิตกมีเทียงวิจารณ์เป็นมูลมีห้าวาระที่เหลือเหมือนกับสหชาตะปัจจัย13อสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ ขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามและกระตัตารูปโดยอธิปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทยวัตถุโดยอธิปัจจัย หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอธิปัจจัยวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยอธิปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิจารณ์โดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาไทยรูปโดยอธิปัจจัยละถึงที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราวอสัญญสัตตพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักขูฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโพธพายาตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยจากขายยตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกายยตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยหาทยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์และวิจาร์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัย เกวเลงกระาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรู ป, ปรชีวิตตินรีเป็นปัจจัยแก่กระ ต, ตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะ หากทัยวัตุเป็นปั จ, จยจกขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งโสตขานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธะ หาทายวัตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโทมนะจึงเกิดขึ้นหาทยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจาร์โดยอัิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยอัิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่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 เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุนันวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งโสตะคาณนะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะพาทายวัตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นพาทยวัตุ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 สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอธิปัจจั ย, ยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินจากสูนั้นขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งโสตะคานะชิวหากายหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตก จึงเกิดขึ้นหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยอธิปัจจัยร้อสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างเผอสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะ Centers, ขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิป <c oughs> ัจจัยขันสองและหาไทยวัตถ <c oughs> ุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปูเรชาตะสหชาตะได้แก่คันที่มีทั้งวิตกวิจารณและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะคันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณและมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และโกรเรียงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และรูปชีวิตินรีเป็นปัจจัยแก่กระตตารูดโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารหและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิตกโดยอธิปัจจัยขันสองและหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองและวิตกโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะ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 เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร์โดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัย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 อาหาระและอินทรียสหชาตะได้แก่คันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานนรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่คันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานนรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่วิตกและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูป โดยอธิปั จ, จัยสหาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและหาทัยวัตุเป็นปัจจัยแก่วิจารโดยอธิปั จ, จัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ะตตารูปโดยอธิปั จ, จัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอธิปั จ, จัย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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตส ม, มตุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสองและวิจารณ์ขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิจารณ์โดยอธิปัจจัย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 ปัจจาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่คันที่มีทั้งวิตกวิจารวิตกและมหาภูตอรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่คันที่มีทั้งวิตกวิจารวิตกและเกาลินกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ ครั้นที่มีทั้งวิตกวิจารวิตกและรูปปัวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กระตารูปโดยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจร้อยสามสิบเจ็ดสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยนัตถิปัจัจเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจัยนัตถิปัจัยและวิคตะปัจัจ เหมือนกับอนันตระปัจจัยอวิคตะปัจจัยเหมือนกับอธิปัจจัย 1. ปัจญานุโลม 2. สองแงขยาวาระสุทนัยร3 8าส เหตุปัจจัยมีสิบอดวาระอารามะนปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี23วาระอนันตระปัจจัยมี25้าวาระสมนันตระปัจจัยมี25้าวาระสาหะชาตปัจใจมีสามสิบวาระอัญญามัญญปัจจัยมี28วาระนิเชยปัจจัยมี30วาระอุปามิเชยปัจจัยมี25้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีหวาระปัจจาชาตปัจจัยมีหวาระภาเสวนปัจจัยมี21ดวาระกรมมปัจจัยมี1ิดวาระวิปากปัจจัยมี21ดวาระอาหาระปัจจัยมี1ิวาระอินเทียปัจจัยมี1ิดวาระชานะปัจจัยมี21ดวาระมัคคะปัจจัยมี16วาระแสงปรยุตตาปัจจัยมี1ิดวาระ วิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจใจมีสมสิบวาระนัตถิปัจจัยมี่สห้าวาร ะ, จจ ว, าระวิคตะปัจใจมียี่สห้าวาระอวิคตะปัจใจมีสมสิบวาระคัตนาก็เหมือนกับกุศลติกะผู้รู้พึงนับปัญหาวาระอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระ๊ะร้อยสามสิบเ้า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 และที่ไม่มีวิตกมีเพ <os> <t> ียงวิจาร์โดยอารมณะปัจจัยสาชาตะปัจจัยอุปานิสยาปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยร้2สสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์มีสองอย่างเผลอสาชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร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 นนเหตุป <us> ัจจัยมีสามสิบห้าวาระนอารามณปัจจัยมีสามสิบห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีสามสิบห้าวาระนัอนันตรปัจจัยมีสามสิบห้าวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามสิบห้าวาระนสหชาตปัจจัยมียี่สิบ้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมียี่สิบห้าวาระนนิสิยปัจจัยมียี่สิบ้าวาระ นาอุปาณิสยปัจจัยมี34วาระนาบุเรชาตาปัจจัยมี iros, 35วาระนาปัชฌาชาตะปัจ uh จัยมี Burada 35วาระนาอาศเวนปัจจัยมี35วาระนากรรมปัจจัยมี35วาระนาวิปากปัจจัยมี35วาระนาอาหาระปัจจัยมี35วาระนาอินทรียะปัจจัยมี35วาระ นาชานะปัจใจมีสมสิห้าวาระนามัคคะปัจใจมีสามสิบห้าวาระณาสัมปยุตตะปัจใจมียี่สิบห้าวาระณวิปยุตตะปัจใจมียี่สิบเจดวาระโนอัติปัจใจมียี่สิบเจดวาระโนนตธิปัจใจมีสามสิบห้าวาระโนวิคตะปัจใจมีสมสิบห้าวาระโนอวิคตาปัจใจมียี่สิบเจดวาระผู้รู้เมื่อจะนับปัจนิยะ ผึ่งนบดเหล่านี้ปัจจ尼ยะจบสปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะเฮสตตทุกนยณยร้อยสี่สิหนอารมณะปัจใจยาเพตุปัจใจมีสิบเอ็ดวาระนอธิปติปัจใจละถึงมีสิบเอ็ดวาระนอนันตระปัจใจมีสิบเอ็ดวาระนสมนันตระปัจใจมีสิเอดวาระอนอัญญมัญญะปัจใจมีสามวาระ นอุปาณิสยปัจใจมีสิบเวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมี11วาระนปัจชาชาตะปัจใจมีสิอดวาระนอาศวนาปัจจัยมีสิอดวาระนกรรมปัจใจมีสิบเอดวาระนวิปากปัจใจมีสิเอดวาระนอาหาระปัจจัยกระเพตุปัจจัยมี11วาระนอินทรียปัจจใจละถึงมี11ดวาระ ณชาณปัจจัยมีสิบอดวาระนามัคคะปัจจัยมีสิบอดวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเจดวาระโนนัตถิปัจจัยมีสิบอดวาระโนวิคตะปัจจัยมีสิบอดวาระการนับอนุโลมปัจจนียเพึงนับโดยเหตุนี้อนุโลมปัจปจนียจบ 4. ปัจญะปัจจนียนุโลม นะเหตุกทุกขในร้อยสี่สิบเจ็ดอารมณะปัจจัยกับนาเหตุตกปั จ, จัจมียี่สิเอ็ดวาระอธิปติปัจจัยละถึงมียี่สิบสามวาระอนันตระปัจจมียี่สิบห้าวาระสมนันตระปัจจมียี่สิบห้าวาระสหชาตะปัจจมีสามสิบวาระอัญญมัญญะปัจจมียี่สิดวาระนิสยปั จ, จัจมีสามสิบวาระ ปาณิสยปัจจัยมี25วาระอุเรชาตปัจจัยมีหวาระปัชชาชาตปัจจัยมีหวาระหาเสวนปัจจัยมี21วาระกรรมปัจจัยมี11วาระวิปากะปัจใจขปะนะเหตุปัจจัยมี21วาระอาหารปัจจัยละถึงมี11วาระอินทริยปัจจัยมี11วาระชานะปัจจัยมี21วาระ ม, าาจจมัคค ะ, ะ, ะปัจจัยมีสิบหกวาระสำปรยุตตะปัจจัยมีสิเอ็ดวาระาวิปยุตตะปัจใจมีเก้าวาระอธิปัจใจมีสามสิบวาระนัตถิปัจใจมียี่สิห้าวาระวิคตะปัจใจมียี่สิห้าวาระอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระพึงจำแน่ปัจจญญานุโลมโดยเหตุนี้ปัจจญญานุโลมจบวิตกะติกะจบ